อันจริงแท้ธรรมะที่เป็นธรรมะแท้คืออริยสัจอย่างที่พระองค์ตรัสในสัจจะสังยุตว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้เป็นของแท้เป็นของจริงเป็นของไม่เป็นอย่างอื่นอริยสัจสมีอะไรบ้างอริยสัจที่ว่านี้ทุก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 อริยสัจมันพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่เป็นความจริงความแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นก็คืออริยสัจตรัสรู้แล้วพ้นทุก์ตถานามานิสัจจานิอภิสัมพุทธินายโกตสมาตฐานนางสัจจานางสัมพุธทธ ต, ตาตถาคโตพระผู้นายกตรัสรู้สัจจะทั้งหลายผู้นายกนะีก็คือผู้นําโลกใช่ไหมผู้นําโลกนําออกจากไหนมั่ง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 ด้วยหูสิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูกรู้ด้วยลิ้นด้วยรสหรือด้วยรู้ด้วยกายหรือด้วยโผฏฐพะเนี่ยนะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตถาคตย่อมทรงรู้ทรงเห็นรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสัพพัญยุตยานแต่ต้นเห็นด้วยอนาวรณยญาณเนี่ยนะรู้รู้เห็นน่ะนะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมณ์เนี่ยนะธรรมารมณ์ที่มาปรากฏในทวารทั้งห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 พวกมีตาเดียวก็มีมีสามตาพี่ป้าครัว่าพวกมีตาเนี่ยนะพวกที่สัตว์มีตาด้วยหรือว่าในโล ก, กธาตุหาประมาณไม่ได้เห็นอารมณ์เท่าใดนะพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็เห็นเกินนั้นด้วยหรือสัตว์ทั้งหลายฟังเสียงในหูกี่หูก็ช่างเถอะเท่าใดเนี่ยเสียงเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ยินหมดกลิ่นที่ที่รับด้วยด้วยจมูกทั้งหมดนะพระองค์รู้หมดเข้าใจหมดหว่ากลิ่นเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนะ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 มันจะบินว่อนทั่วประเทศไทยมันก็ถามว่าสว่างเท่าเสตเสี่ยวของดวงอาทิตย์ไหม ย, ยังไงมันก็ห่างชันใดการรับรู้ของสัตว์ทั้งหลายในทวารหก็ไม่ต่างอะไรจากแสงหิ่งห้อยเนี่ยนะซึ่งแสงหิ่งห้อยถ้าเปรียบกับพระพุทธเจ้าและห่างกันนักเนี่ยนะฉะนั้นการรับรู้อารมณ์ในทวารหของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใดพระองค์ก็รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะรับรู้ทั้งหมด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 รับรู้เห็นอารมณ์เหล่านั้นเพื่อกําจัดปัญหามานะและทิฐิขณะเดียวกันยังบอกกล่าวแนะนําข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตัญหามานะทิถิให้แก่สรรพสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเห็นแต่ความจริงแท้อย่างนั้นเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าเราเห็นแล้วพระพุทองค์เอ้ยเราอะไรนะหมกเม็ดพระพุทธเจ้าพระอง์ไม่รู้หรอกนะเรื่องนี้นะบอกว่าจะปิดอะไรปิดปิ ด, ปดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยก็เหมือนกับว่าโอ้ยเราหลับตาสักแล้งเป็นไม่เห็นดวงอาทิตย์จะได้ไม่ส่งองไงว่า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 เขารียว่าผู้เห็นแท้จริงเห็นจริงเห็นแท้ไม่มีอะไรจะจริงแท้ขนาดนี้แล้วแต่หาว่าเป็นคน ท, ทั่วไปเห็นด้วยสายตาที่ขุนมัวไหอาจจะไม่เห็นตามเป็นจริงเพราะจาตามันขุน่นตามันมัวตามันพร่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงของสิ่งนั้นมีแค่ไหนพระ อ, องค์รู้สิ่งนั้นอย่างแท้จริงนลยนะ ในยะต่อไปถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อว่าตถาคตเพราะตรัตแต่คําจร์นะนะตรัตแต่คําจร์เนี่ยคำที่พระองค์ตรัตจร์เนี่ยเป็นอย่างไรคําที่พระองค์พูดเนี่จริงหมดเลยจริงอย่างไรต่อว่าก็คําใดที่สงเคราะห์เป็นรวังฆาตศาสตร์มีสุตะเป็นต้นคําของพระพุทธเจ้าถ้าเรียกว่าเป็นองค์เนี่ยนับได้เก้าองค์ องค์ก้าคือสุตตะเคยยะวยาการณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละทนับเป็นนิกายนี่หานิกายทีขณิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตินิกายอังคุตระนิกายและคุตตกานิกายนับเป็นปิดกเรียกว่าปิดกสาพระวินัยปิดกพระสุตันตปิดกและอภิธรรมปิดกนับเป็นพุทธพจน์มี3ปรถมพุทธพจน์มัชฌิมพุทธพน์และปัทธรมมัชฌิมปัชฌิมพุทธพจน์ ถ้านับเป็นนับเป็นสองเรียกว่ารมกับวินัยถ้านับเป็นหนึ่งเรียกว่าคําสอนที่มีรถเดียวคือวิมุตติรถคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะนับตั้งแต่ว่ามีวัตถุประสงค์อันเดียวคือวิมุตติรถแบ่งเป็นสองคือทำกับวินัยแบ่งเป็นสามเป็นปิดกสามนับเป็นห้าเรียกว่านิกายห้านับเป็น9้าเรียกคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9พระดํารัสทั้งหมดที่พระองค์ภาสิทธ์เอาไว้ตลอดระยะเวลาประมาณสี่ิบห้าพันปศา แรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานจนถึงเราาียกว่าอัปมาเดนะสัมปาเดธะแล้วก็เลิกพูดละคำแรกที่พูดใช่ไหมอะไรอเนกาชาติสังสารังอเนกาชาเนี่ยคำแรกไหมคำสุดท้ายอัปมาเดนะสัมปาเดธะจบเคราวะทระหว่างนั้นเนี่ยนะคำทั้งหมดนะเป็นคําแท้ไม่มีเท็จเลยแม้แต่คําเดียว ไม่มีมุสาเลยเป็นคำพูดเหมือนกับใช้ตาชั่งอันเดียวกันนะตาชั่งชนิดมาตรฐานตวงอนะ่ะภาชนะเดียวกันตวงมันจะตวงกี่ครั้งกี่รอบหรือจะใช้ตะชั่งเรียบกับชั้นมาตรฐานเนี่ยชั่งกี่ครั้งมันก็ได้น้ำหนักเท่าเดิมชั้นใดพุทธพจน์คำของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์จึงกล่าวกล่าวก่อนที่พระองค์จะปรินิ พ, พานตรัสกับท่านพระจุนทะจุนทะสมนุเทศ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 เป็นคำที่จริงแท้อย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตคาว่าจริงแท้คาเป็นคาจริงคาแท้เนี่ยนะจริงแท้เพราะอะไรเพราะเป็นที่ส่างแห่งความเมาคือราคาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเพราะคาพูดเหล่านั้นสามารถกาจัดราคาโทสะโมหะได้ถ้อยคำเหล่านั้นจึงเป็นคำที่จริงแท้ แล้วก็เป็นคําที่ไม่ใช่ว่าปีที่หนึ่งว่าอย่างหนึ่งปีที่สองมาแก้ไขตามแก้ว่าเออที่ตรัดไว้ปีแรกนี่มันไม่ค่อยดีนะไม่สมบูรณ์ปีที่สา ม, มาก็บอกไอ้ปีที่สองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะออ่นะปีที่สามปีที่สขึ้นมาเออปีที่สาก็ยังขาดตกบกพร่องต่อจนเรียกว่าล้างของเก่าไปเรื่อยๆๆๆไม่มีมาตรฐานเดียวเสมอเพราะอะไรเพราะว่าผ่าหันรแรกตรัสรู้กับผ่าหันองค์สุดท้ายก็ตรัสรู้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 ถูกต้องว่างนันแต่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ภัยบุ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอีกแล้ว เพราะฉะนั้นอาคทะตัวนี้เนี่ยนะหมายถึงพระดํารัสพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นของแท้ไม่วิปริตเนี่ยนะไม่วิปริตไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดที่วิปลาดพูดด้วยอํนนานาจความเมาอะนะตอนเมาพูดอย่างหนึ่งสางขึ้นมาก็พูดอีกอย่างหนึ่งสางมาแล้วเมาต่อก็พูดอีกอย่างหนึ่งกลับไปกลับมากลับหน้ากลับหลงังใหม่เป็นอย่างนั้นไม่วิปริตวิปลาดคลาดเคลื่อนอะไรไม้แต่นิดเตียวเพราะตรัส ด, ด้วยสติสัมปชัญญะ ที่สมบูรณ์ภัยบูรณบริบูรณ์เสมอกันหมดเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะตทาวาทีชิโนยสมาตฐ ะ, ะธรมปปรมมปกาสโกตถามาคทะนันจัตสะตะสมาพุทธโธตถาคโตเพราะเหตุที่พระจินะพุทธเจ้าตรัสแต่คําจริงคําพูดนี้จริงไม่มีอะไรที่มันจริงมานี้อีกแล้วว่ากั้นแต่ทรงประกาศธรรมะที่แท้จริงคืออะไรประกาศอะไรจริง ประกาศอริยสัจ ท, ที่แท้จริงเนี่ยและพระดํารัสของพระองค์ก็เป็นคําที่จริงอย่างที่ตอนกล่าวว่าสัจจะบา ร, รมีคืออะไรสัจจะบา ร, รมีก็คือการฝึกคําพูดที่มันจริงเรียกว่าวจีสัจจะตามวิรติสัจจะคือพูดคำเนี่ยจริงก่อนเรียกว่าวจีสัจจะพูดให้มันจริงแล้วก็พูดตามวิรติสัจจะเว้นจากคําเทศคํำยาเพิรเจอร์และส่อเสียด และเพื่ออะไรเพื่อฝึกคําพูดที่จริงเนี่ยจะได้ประกาศอริยสัจที่เป็นความจริงรเนี่ยนะร อ, ร els, อริยสัจที่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกพูดใช้คําพูดที่จริงเพื่อจะได้ตรัสอริยสัจกล่าวอริยสัจที่เป็นความจริงเพราะธรรมะที่พระองค์ประกาศก็จริงแท้แล้วก็ประกาศด้วยพระวาจาที่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 ต่อไปถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตพระองค์เนี่ยทรงทำจริงเนี่ยพระองค์ทาอย่างไรทำจริงเนี่ยทำอย่างไรต่อว่าความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระวาจาใดๆก็ทำพระวาจานั้นด้วยพระกายคือพระกายก็อนุโลมตามพระวาจาทั้งพระวาจาก็อนุโลมตามพระกายทาอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทาทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำ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 พระองค์ทำไม่ได้จริงอะไรหรอกเขาก็มีกลุ่มที่ออกมาปฏิเสธในลักษณะนั้นเพราะนันอันนี้ก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เป็นแบบนั้นพระองค์ทำได้อย่างที่พูดนะแล้วก็พูดเท่าที่ทำทาเท่าที่พูดพูดเท่าที่ทำไม่ใช่พูดเกินจริงหรือลดถอยตัวเองอะนะคือไม่พูดแบบลดความดีของตัวเองก็ไม่แปล ว, ว่าพูดแบบโอ้ดีจริงสมบูรณ์แบบบอกว่าไม่ดีจริงเท่าไหร่นะแปล ว, ว่าเหมือนถ่อมตัวก็ไม่ใช่ ที่ถ่อมตัวแบบอะไรนะแบบว่ามีร้อยเนึ่ยรอกมีไม่มากหรอกไม่ถึงร้อยหรอกอะไรนี่ยคิดว่าพูดลดเกรดตัวเองก็ไม่ใช่หรือพูดเกินเกรดที่เป็นจริงก็ไม่ใช่คือพูดเท่าที่ตามที่เป็นจริงวันจึงได้พูดเท่าที่ ท, ท, ทําทําเท่าที่พูดนั่นแหละนี่นะแต่ว่าก็ไม่มีใครทําได้ขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะคิดว่าความมาตรฐานสมบูรณ์ที่สุดคิดว่ามาตรฐานของสรรพสัตว์เนี่ยวัดกันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมบูรณ์ที่สุดพป๊บพร ะ, พระองค์ตรัสคาใดก็จะเป็น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 สัตว์คือระดับภระวคพรมเป็นชื่อของเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเนี่ยนะพระวคพรมนี่เป็นชื่อของเนวสัญญาณาสัญญายตนะสูงสุดเบื้องสูงนะเบื้องขวางเบื้องขวางแค่ไหนเบื้องขวางโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้อะไรคำว่าสูงหรือต่ำมันไม่ใช่เอาโลกกลมๆแบบเรานะครับถือเอาพบเนี่ยพบสูงที่สุดคือภวะคพรมเบื้องขวางเนี่ยนะไอ้ระหว่างเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เบื้องล่าง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 S <S <an itary> เกี่ยวกับการพิจารณาแล้วไม่มีใครมีปัจจวีณาญาณเท่ากับพระพุทธเจ้ า, าอีกแล้วเนี่ยนะผู้ที่พิจารณามากที่สุดเนี่ยนะพิจารณาจนไม่มีอะไรจะให้พิจารณาอีกแล้วเนี่ยนะการพระองค์นั้นไม่มีเครื่องช่างหรือเครื่องนับสําหรับพระองค์เอาอะไรมาช่างพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยน้ําหนักเท่านั้นนะมีค่าเท่านั้นเท่านี้หรือเอาอะไรมาเป็นนับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอเท่านั้นเท่านี้เพราะพระ <S <S องค์เกินจากเครื่องช่างเกินจาก เครื่องนับที่จะนับได้เครื่องวัดที่จะวัดได้เพราะฉะนั้นที่แท้แล้วพระองค์ก็ช่างไม่ได้นับไม่ได้แล้วก็ยอดเยี่ยมอัปปมาโนพู้โธนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณมิได้นับไม่ได้เอาอะไรไปนับพระองค์เรา